การทำหาความสุขทางใจหาความสุขที่แท้จริงตลอดระยะเวลา6หรือเจดวันที่ผ่านมาญาติโยมก็ได้ไปหาความสุขทางโลกไปหาความสุขปลอมกันวันที่เป็นวันพระเราก็หยุดหาความสุขปลอมแล้วเรามาหาความสุขจริงกัน ความสุขจริงก็คือความสุขใจความสุขที่เกิดจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะเป็นความสึกที่ให้ความอิ่มให้ความพอไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่ได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่มีคำว่าอิ่มไม่มีคำว่าพอมีแต่ต้องการ มีมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะมีความทุกข์ตามมาหรือเวลาสูญเสียความสุขไปก็เกิดความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขทางใจเป็นความสุขที่ไม่มีการสูญเสียเพราะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเรานอกจากความพยายาม ที่จะควบคุมทำใจของเราให้สงบเท่านั้นนี่แหละคือความสุขแท้ความสุขจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทเข้าหากันโดยกำหนดว่าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งในวันธรรมสวระก็ควรที่จะมาถือศีลแปดกันเพราะการถือศีลแปดนี่ จะเป็นการเปลี่ยนการหาความสุขจากความสุขทางโลกมาหาความสุขทางธรรมถ้าถือศีลห้าเยียวยาหาความสุขทางโลกได้อยู่เพราะศีลข้อที่สคือการมีสุนิชฌาจาราเวรามานีไม่ได้ห้ามการหาความสุขจากการร่วมหลับนอน เพียงแต่ห้ามไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่คู่ครองของเราเช่นไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาแต่ยังสามารถร่วมหลับนอนกันได้แต่ถ้าถือศีลแปดก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อสามก็จะเป็นอพรณ์จาริยาเวรมณีคือวันนี้จะงด การหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นหนึ่งวันจะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบแทนที่จะร่วมหลับนอนเราก็มาไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิทำใจให้สงบกันเราก็จะได้ความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่เราไม่ต้องมีคู่กรองมาให้กับเราเราสามารถ ได้ด้วยตัวเราเองตามลําพังเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการล้วงหลับอนอนกับคู่ครองของเราเวลาที่เขาไม่อยู่เวลาที่เขาจากเราไปเวลานั้นเราก็จะไม่มีความสุขมีแต่ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาหวาเว นี่คือความแตกตา่างระหว่างความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมความสุขทางธรรมนี้เหนือกว่าเพราะอยู่กับเราไปกับเราเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถหาความสุขแบบนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องมีบุคคลต่างๆไม่มีสิ่งของต่างๆมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ เหมืกับความสุขทางโลกนี่ก็คือความสุขอย่างหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนความสุขชนิดที่สองที่เราจะเปลี่ยนจากทางโลกมาสู่ทางธรรมก็คือการไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานเพื่ออยู่พอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่รับประทานอาหารเพื่อเป็นการหาความสุข เหมือนกับที่เราทํากันเวลาที่เราไม่ได้ถึงศี่แปเราอยากจะรับประทานอะไรเราก็รับประทานได้ได้ทั้งวันทั้งคืนเวลาอยากเราก็รับประทานรับประทานเสร็จเราก็มีความสุขอย่างนี้เรียกว่าเป็นการหาความสุขจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆแต่เป็นความสุขแบบเดียวกันคือ เวลาไม่ได้รับประทานไม่ได้ดื่มเวลานั้นก็จะมีความหดหิดลำคาญใจอารมณ์จะไม่ดีจะไม่สบายใจบางเวลาเราก็อาจจะไม่สามารถรับประทานได้เช่นถ้าเราไปหาหมอหมอบอกว่าเบาหวานสูงไขมันสูงต้องงดรับประทานอาหาร อันนี้พอเราต้องถูกบังคับให้งดเราก็จะรู้สึก อ, อึดอัดรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจแต่ถ้าเรามาถือศีลแปดในวันพระมาฝึกฝนอบลงหาความสุขจากการทําใจให้สงบแทนที่จะเสียเวลากับการไปหาอาหารหาเครื่องดื่นต่างๆมารับประทานเราก็มาหาความสุขจากการ ฝึกฝนทําใจให้สงบจะฝึกด้วยการนั่งสมาธิก็ได้ด้วยการสวดมนต์ก็ได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้แล้วแต่กําลังของแต่ละท่านว่ามีกําลังมากน้อยเพียงไรถ้าไม่มีกําลังดึงใจให้หยุดความคิดปรุงแต่ง<ๆ>ก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนฟังแล้วใจก็จะไม่คิดเรื่องอื่นใจก็จะ สงบจะหยุดความคิดจะลดความคิดให้เบาบางลงไปได้หรือถ้าเรามีกําลังไม่ต้องฟังเทศนเราสวดมนต์ได้เราก็สวดมนต์ไปสวดมนต์ไปแล้วใจก็จะว่างใจก็จะเย็นจะสบายเพราะไม่ได้คิดถึงความอยากต่างๆถ้ามีกําลังมากกว่านั้นก็บริกรรมพุทธโธไปพุทธโธไปเรื่อยๆ หรือดูลมหายใจเข้าออกไปใจก็ใจว่างใจจะสบายและจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่อันนี้คือวิธีที่พวกเราควรจะหาทาสู่กันเพราะมีอยู่ในตัวของเราเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปวุ่นวายกับการทำมาหากินหาเงินหาทางมาเพื่อจะซื้อสิ่งของต่าง มาให้ความสุขกับเราได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบพอได้แล้วมันจะพอมันจะไม่อยากได้อะไรการไม่คุมีความอยากได้อะไรนี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากต่างๆของพวกเรานี้เอง อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอได้แล้วก็ไม่พอพอเสียไปก็เสียอกเสียใจนี่คือความอยากที่ทำให้เราต้องเกิดความทุกข์กันถ้าเรามาถือศีลแปกมาทําใจให้สงบได้เราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์ เพราะว่าเราไม่ต้องไปลื่นลนหามาหามาแล้วก็ไม่พอต้องหามาอยู่เรื่อยๆนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเปลี่ยนการหาความสุขหาความสุขที่เย็นดีกว่าหาความสุขที่ร้อนหาความสุขที่อิ่มดีกว่าหาความสุขที่ทำาให้หิวขึ้นความสุขทางโลกที่พวกเราหากัน ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่ทำให้เราหิวทำให้เราต้องการมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความสุขจากการทำใจให้สงบนี้จะทำให้ใจเราอิ่มให้ใจเราพอเมื่ออิ่มเมื่อพอเราก็อยู่เป็นสุขไม่ต้องทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมีเงินมีทองก็ได้ไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีคู่ครองก็ได้อยู่คนเดียวได้ อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านอยู่กันท่านอยู่ตามวัมพังแต่ท่านมีความสุขที่ทําให้ท่านไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปดัง น, นั้นเราต้องมาถือสิงแปดกันมาละการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นมาละการหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขต แล้วก็มาละการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงมหรสพต่างๆเช่นภาพยนตร์ละครหรือร้องรำมทำเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะไม่มาเสียเวลาเพราะเป็นความสุขที่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลาได้เสกก็มีความสุขเวลาผ่านไปแล้วก็หายไป ต้องเศษใหม่อยู่เรื่อยๆต้องไปดูละครใหม่เรื่อยๆต้องไปร้องลําทำเพลงอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขอันนี้เราอย่าไปเสียเวลาเพราะไม่ได้ทำให้เราพอไม่ได้ทำให้ความอยากหมดไปเรามาทำความสงบให้กับใจดีกว่าเอาเวลาที่เราไปดูละครไปร้องลําทำเพลงนี่มาทำใจให้สงบ แล้วเราจะได้มีความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรแล้วข้อต่อไปก็คืออย่าเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากหวีผ้าหวีผมทำผมหรือทำอะไรต่างๆให้ร่างกายดูสวยงามมันก็เป็นความสุขแบบเดียวกันสุขที่ชั่วคราวเดี๋ยวร่างกายมันก็ เหม็นจงกินเหม็นอยู่ดีก็ต้องไปอาบน้ำเสื้อผ้าที่ใส่ก็ต้องแปะเปื้อนก็ต้องเปลี่ยนอันนี้อย่าไปเสียเวลาให้แต่งกายพอปกปิดเอาไว้ว่าป้องกัน ร, รักษาร่างกายให้อยู่แบบสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พออย่าไปเสียเวลากับการเสริมสวยทงร่างกายเพราะไม่ใช่เป็นความสวยที่แท้จริง ความสวยที่แท้จริงนี้อยู่ที่ใจใจสวยถ้าใจสวยแล้วจะเป็นคนที่น่ารักไม่มีใครรังเกียจแต่ถ้าเป็นคนที่สวยทางร่างกายแต่ไม่สวยทางใจก็จะไม่มีใครรักไม่มีใครชื่นชมยินดีความสวยของใจก็คือการมีศีลแปดศีลห้านี่เองผู้ที่รักษาศีลห้ารักษาศีลแปได้ จะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมยินดีคบค้าสมาคมจากผู้อื่นไม่มีใครอยากจะคบกับคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีล น, นี้เป็นคนที่น่ารังเกียจเพราะจะไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เป็นที่รักที่ชื่นชมยินดีของผู้อื่น ขอให้เรามาเสริมสวยทางใจดีกว่าอย่าไปเสียเวลากับการเสริมสวยทางร่างกายเพราะเป็นเปลือกไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของเราเนื้อแท้ของเราคือใจของเราใจของเราจะสวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่ว่าเรามีศีลหรือไม่มีศีลนั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามรักษาศีลให้ได้รักษาศีลห้าเรา ในเราก็จะสวยงามรักษาศีล8เราก็จะยิ่งสวยงามขึ้นไปวันธรรมดาก็รักษาศีลห้าไปก่อนวันพระก็มารักษาศีลแปแล้วต่อไปเราเห็นคุณค่าของศีลปเราก็จะเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นรักษาศีลขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถรักษาศีลแปดได้ทุกวัน รักษาศีลแปได้ทุกวันต่อไปก็จะไปรักษาศีลสรักษาศีลสอี่ดถ้ารักษาศีลได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความน่าชื่นชมยินดีมีความสวยงามมีความน่ารักต่อผู้อื่นนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทํากันอย่าไปเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัว ด้วยเสื้อผ้าอภรณ์วิจิตพิสดารเสียเงินเสียทองไปเปล่าเสียเวลาไปเปล่าเอาเวลามารักษาศีลเอาเวลามาทำใจให้สงบดีกว่าแล้วข้อสุดท้ายก็คืออย่าไปหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปการหลับนอนควรจะหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่าง ก, กาย ซึ่งตามปกติร่างกายถ้าได้พักประมาณสี่หรือห้าชั่วโมงก็จะพอต่อการพักผ่อนแล้วแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆเวลาเรานอนไปพอร่างกายตื่นขึ้นมาได้รับการพักผ่อนพอตื่นขึ้นมาแต่ใจก็ยังไม่อยากจะลุกเพราะติดกับความสุขจากการนอนบนฟูกหนาๆก็จะนอนต่อไปอีกสี่ห้าชั่วโมง แทนที่จะลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็จะไม่ได้นั่งจิตใจก็จะไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงดังนั้นเราอย่านอนบนฟูกหนาๆให้นอนบนพื้นไม้พื้นแข็งปู ด, ด้วยเสือ่อปู ด, ด้วยผ้าก็พอเพื่อที่เราจะได้ไม่นอนยาวเกินไป พอร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงก็จะตื่นขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวเราก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งเราก็จะได้ลุกขึ้นมามาหาความสุขจากการนั่งสมาธิไ่ว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมไปจะดีกว่านอนหลับนอนไปไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือการหาความสุข ทางรมที่เราจะต้องใช้การรักษาศีลแต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเราไม่รักษาศีลแปดเราก็จะไม่มีอะไรมาบังคับมาห้ามไม่ให้เราไปเสียเวลากับการหาความสุขทางโลกแล้วเราก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าที่ท้าววอน เราก็จะต้องเวียนไหวตายเกิดไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่เรื่อยๆพอ ร, ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปเราก็จะต้องไปเวียนไหวตายเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่ไม่มีวันหมดสิ้นแต่ถ้าเรามาฝึกหัด ยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันไม่ดีมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องทุกกับการ ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลรักษาชีวิตแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความชราต้องมาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการพัาดพลาคจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบพัาดพลาคจากบุคคลที่เรารักเราชอบพัาดพลาคจากร่างกายที่เรารักที่เราหวงนี่คือโทษของการหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะทำให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันหมดสิน้นแต่ถ้าเรายุติการหาความสุขทางร่างกายได้ด้วยการหันมาหาความสุขทางจิตใจด้วยการมาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบให้มีความอิ่มให้มีความพอเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาร่างกาย ไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิด อ, อีกต่อไปดังนั้นหลังจากที่เรารักษาศีนแปดแล้วเราก็ต้องมาทุ่มเทเวลาให้กับการทำใจให้สงบมาการจะทำใจให้สงบเราต้องมีเครื่องมือดึงใจให้เข้าสู่ความสงบปกติใจของเราจะถูกความอยาก ดันให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราอยากจะให้ใจสงบเราก็ต้องดึงใจเข้าไปข้างในเราต้องดันใจเข้าไปต้องมีกําลังมากกว่าความอยากสิ่งที่จะทำให้เราดึงใจหรือดันใจให้เข้าไปข้างในได้ก็คือสติสตินี้ก็เป็นเหมือนเชือกเชือกที่เราจะดึงใจให้เข้าไปข้างใน การจะมีสติก็คือเราจะต้องผูกใจไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเ<อ>ช่นผูกไว้กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจของเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่มีความอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ตามมาเราต้องพยายามฝึกหัดพยายาม บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพยายามทำให้มากทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากจะน้อยลงไปแล้วเราก็จะได้มีความสงบมีความสุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับถ้าเรามีสติสามารถหยุดความคิดได้ความอยากก็จะหายไปชั่วคราว พอไม่มีความอยากแล้วเราก็จะล่ง อ, อกโล่งใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เบา อ, อกเบาใจมีความสุขมีความสบายใจมีความอิ่มมีความพอไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่มีอยู่ในตัวเราแล้วความสุขที่รอเราอยู่เพียงแต่ขอให้เราดินใจกลับเข้ามาหาความสุข น, นี้เท่านั้นเอง ใจตอนนี้ถูกความหลอกถูกความหลงดันให้เราออกไปหาความทุกข์หาความวุ่นวายต่างๆ ง, งั้นเราต้องพยายามฝึกสติให้รู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ความอยากมันผลักดันเราไปทำอะไรต่างๆนานาที่จะทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่น ถ้าเราบริสติเดินใจเข้าไว้ข้างในใจเราก็จะสบายใจเย็นจะมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรดังนั้นเราต้องพยายามบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ชอบพุทธโธเราจะใช้การเฝ้าดูร่างกายก็ได้เวลาร่างกายทำอะไรก็ให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายอย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปคิดอย่างอื่น เช่นร่างกายกำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันกำลังล้างหน้าก็ให้อยู่การล้างหน้ากำลังหวีผ้าห ว, วีผมก็ให้อยู่กับการหวีผ้าห ว, วีผมอย่าทำสองอย่างพร้อมๆกันไปคือร่างกายทำอย่างใจทำอีกอย่างร่างกายแปลงฟันแต่ใจคิดว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรดีจะไปหาใครจะไปติดต่อธุระกับใครทาอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติ ไม่เฝ้าดูร่างกายถ้าจะมีสติก็ต้องเฝ้าดูร่างกายเพียงอย่างเดียวให้รู้เรื่องเดียวในขณะเดียวถ้าจะรู้กับเรื่องร่างกายก็ให้รู้อยู่กับร่างกายเรื่องเดียวถ้าจะรู้อยู่กับพุทธโธก็อยู่กับพุทธโธไปอย่างนี้เราก็จะสามารถดึงใจให้เข้าข้างไหนได้เวลาเรามีเวลาว่างเรามานั่งทำใจให้สงบ ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าการได้เงินได้ทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะเงินทองนี้ไม่สามารถซื้อความสุขแบบนี้ได้ความสุขแบบนี้จะต้องสละเงินทองร้อยล้านพันล้านถึงจะได้ความสุขแบบนี้เช่นพระพุทธเจ้าจะต้องสละราชสมบัติ ถึงจะได้พบกับความสุขแบบนี้ถ้ายังอยากหาความสุขจากการมีเงินร้อยล้านพันล้านก็จะไม่มีวันที่จะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริญนี้ได้ผู้ที่ต้องการพบกับความสุขแบบนี้จึงจำเป็นจะต้องสลัทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองแล้วก็ออกบวชเพราะว่าถ้าไม่ได้บวชจะไม่มีเวลาที่จะมา ควบคุมใจให้มีสติอยู่กับพุโทโธอยู่กับร่างกายไปเมื่อเราไม่มีสติก็จะไม่สามารถที่จะทําใจให้มีความสงบให้มีความสุขระดับร้อยล้านพันล้านนี้ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้รับกัน เราก็ต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายความสุขชั่วคราวแล้วหันมาหาความสุขทางใจกันอย่างที่พวกเราได้มากระทากันในวันนี้เรามาทําทานมารักษาศีลแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทําใจให้สงบกันไปหาที่สงบอยู่ตามลําพังงดเว้นการหาความสุขจาก สิ่งต่างๆเคื่อนบันเทิงต่างๆหนึ่งวันทดลองทำดูถ้าทำได้ผลแล้วจะจะติดใจจะมีฉันทะมีวิริยะที่จะอยากจะทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเพราะไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้เองพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่างัติสันติปรังสุขขัง ไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรามาบำเพ็ญมารักษาสินรักษาสิน ป, ปมาเจริญสติมานั่งสมาธิขอให้พยายามทำกันมากๆแล้วรับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผ ล, ผลนี้เกิดจากเหตุคือการกระทำคือการเจริญสติ การนั่งสมาธินี่เองถ้าเราไม่เจริญสติไม่นั่งสมาธิไม่รักษาสีลแปดเราก็จะไม่มีวันที่จะได้ความสงบได้ความสุขแบบนี้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคอุปสรรคอยู่ที่การกระทำของเราเองว่าเราจะเลือกกระทำอะไรเท่านั้นเองถ้าเราเลือกจะทำหาความสุขทางร่างกายเราก็จะไม่สามารถหาความสุขทางใจได้ถ้าเรา ต้องการหาความสุขทางใจเราก็ต้องยุติการหาความสุขทางร่างกายแล้วก็มาเจริญสติมานั่งสมาธิให้มากๆน่ารับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่เราได้มาทํากันในวันนี้ในวันธรรมวสวนะก็คือมาหาความสุขที่แท้จริงมาหาความสุขที่ถาวร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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วแกล่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธิ